ทำความเข้าใจบทสวดมนต์กันก่อนสักนิดนะครับปัจจุบันชาวพุทธส่วนใหญ่นิยมสวดมนต์กันมากและมีการทำซีดีแจกกันอย่างแพร่หลายการสวดมนต์ที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้คำแปลชาวไทยพุทธส่วนใหญ่เลยนะครับที่งมงายกับการสวดมนต์จนเข้าใจผิดสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองโดยไม่รู้ความหมาย และสวดแบบขาสติหลายคนสวดเพราะอยากรวยอยากโชคดีอยากได้บุญแต่หาได้เป็นการสวดเพื่อทำให้เกิดบุญได้จริงๆรสักเท่าไหร่เลยเคยสังเกตไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ไปวัดทำบุญเพราะอยากได้บุญแต่ไม่เคยคิดถึงว่าจะทำให้เกิดบุญที่เป็นบุญจริงๆบุญที่เกิดเพราะสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์กับคนอื่น นำความสุขให้คนอื่นหรือบุญที่ทำให้ลดละกิเลสในตัวตนลงได้แต่ส่วนใหญ่ไปทำบุญเพื่อหวังบุญเข้าหาตัวเองอยากมีความสุขอยากรวยอยากโชคดีอยากถูกหวยอยากค้าขายดีอยากมีคนรักอยากให้ลูกเรียนเก่งสรุปแล้วนะครับหลายคนยิ่งไปทำบุญก็ยิ่งบ้าบุญยิ่งโลภในบุญทำบุญด้วยความโลภหนักหน้อยก็แสดงออกมาด้วยการบนบานสารกล่าว ขอโชคขอลาบหากสําเร็จจะทํานั่นนู่นนี่มาถวายและของที่นํามาแก้บนนะครับถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆหากเราจะไปขอให้คนธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ต้องถึงกับขั้นไปขอเทวดาเลยถ้าเราไปขอเศรษฐีสักคนขอให้ช่วยให้เราค้าขายดีหากเป็นจริงเราจะเอาไข่ต้ม ม, ม้าไม้หรืออะไรก็ตามไปให้เขายังไม่อยากได้เลยนะฮะเพราะว่าเขามีปัญญาซื้อกินเองได้ของบางอย่างก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นตุ๊กตาไม้ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชอบเอาไปบ่นกันนะครับนบประสาอะไรกับเทวดาถ้าหากมีฤทธิ์มากขนาดบันดานอะไรให้เราก็ได้จะมานั่งกินไข่ต้มเล่นตุ๊กตาไมา้ขนาดคนธรรมดายังไม่สนนะฮะแล้วเทวดาท่านมีอาหารทิพย์มีอะไรครบถ้วนแล้วแล้วท่านจะมาสนหรอเหตุผลง่ายๆที่ควรจะคิดกันบ้างนะครับสิ่งที่ท่านขาดก็คือท่านไม่สามารถทาบุญได้อย่างมนุษย์นั่นแหละจึงต้องอาศัยมนุษย์ช่วยสร้างบารมี หากท่านจะยินดีในสิ่งที่เราถวายจริงๆก็คือความดีใช้ความดีถวายท่านนะครับมันทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์ถวายท่านและอาศัยบุญที่เราทําเป็นต้นเหตุในการอธิษฐานขอให้ได้สิ่งที่ปรารถนาจะเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ง่ายกว่าการขอเลืลอยจากสิ่งที่มองไม่เห็นโดยไร้เหตุผลและติดสินบนด้วยของไร้ค่านะครับหากวันหนึ่ง ผมแกลงเอาสัระเบือมาผูกผ้าและเอาของมาเส้นไหว้แล้วก็ตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ที่คนผ่านเยอะๆนะครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าก็จะมีคนมาทําตามและมานั่งขอพรจุดธูปไหว้แล้วก็จะปรากฏว่ามีคนได้จริงๆแล้วก็มาแก้บนเพราะมันเป็นหลักสถิติตามธรรมดาอยู่เองนะครับที่คนขอร้อยคนต้องมีสักคนนั่นแหละที่มันต้องได้เหมือนไปเกณฑ์ทหารนะฮะมันมีใบดําใบแดงในสัดส่วนที่ชัดเจนอยู่แล้วหาทุกคน แหมาขอสั ก, กเบือที่ผมสมมติมาแล้วตั้งบูชาไว้เราก็จะพบกับความจริงว่าก็จะมีคนที่โดนใบดำเยอะกว่าคนที่โดนใบแดงแล้วคนที่โดนใบดำก็จะมาแก้บนแล้วก็ลือกันว่าสั ก, กเบืออันเนี้ยสักสิทธิ์ของแท้ทั้งที่จริงๆขอไม่ขอมันก็มีใบดำใบแดงเท่าเดิมนะครับแล้วคนที่โดนใบแดงละ่ะจะหาว่าไม่สักสิทธิ์หรอ ส่วนใหญ่คนที่ขอไม่ได้ซึ่งมีจำนวนมากกว่าหลายเท่าเขาก็แค่ไม่สนใจไม่พูดถึงเท่านั้นเองแหละเทวดาหากจะช่วยเราได้จริงๆก็ต้องเนื่องด้วยบุญเก่าของเราก็เหมือนตามสารทั่วไปนั่นแหละครับลองนับจำนวนคนที่มาไหว้ขอพรบนบานสารกล่าวดีๆนะฮะเราจะเห็นได้ว่าคนจำนวนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนที่ขอไม่ได้แต่จะมีคนแค่ไม่กี่คนที่ขอได้และนับวันนับเดือนนับปี ปริมาณคนที่ขอได้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามสัด ส, ส่วนแต่ก็ยังเป็นปริมาณที่น้อยมากถ้าเทียบกับคนที่ขอไม่ได้เทวดานะครับหากจะช่วยเราได้จริงๆก็ต้องเนื่องด้วยบุญเก่าของเราเหมือนเราก็ต้องเรียนหนังสือให้เก่งก่อนผู้ใหญ่ถึงจะฝากงานให้ได้ที่ฝากได้ก็ต้องเพราะเรามีความสามารถในด้านนั้นๆด้วยแล้วเราจะทางานได้นานได้ผลงานดีแค่ไหน มันก็ขึ้นอยู่ที่ทุนเก่าของเราคือเราเรียนและฝึกฝนมามากแค่ไหนด้วยหากไม่มีบุญเก่าไม่ทำต้นทุนไว้ไม่ฝึกฝนตัวเองไว้ใครก็ช่วยไม่ได้เทวดาที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ให้อ้อนวอนขอร้องให้ติดสินบนยังไงท่านก็ช่วยไม่ได้นะครับหากเรากลับไปดูในสมัยพุทธกาลนะครับแม้แต่พระพุทธองค์เองซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าเทพทุกชั้น สามารถเนรมิตอะไรก็ได้แต่กับคนที่ไม่เคยทำทานไม่มีบุญเก่ามาเลยเนี่ยท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับหากการร้องขอเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีผลได้กับทุกคนจริงพระพุทธองค์ซึ่งมีฤทธิ์มหาศาลมากกว่าใครๆทั้งสามโลกก็คงทรงเสกทีเดียวให้ทุกคนร่ำรวยโชคดีและสมปรารถนาการทุกอย่างไปแล้วแต่นี้ก็ยังปรากฏว่าในสมัยพุทธกาลก็ยังมีคนจนมีคนโชคร้ายมีภัยพิบัติ มีโรคระบาดมีทุกอย่างอยู่ครบนะครับตามบุญกรรมที่ปั้นแต่งให้แต่ละคนเป็นไปตามสิ่งที่ตนเองทำไว้มนุษย์เป็นภพเดียวที่ทำบุญได้สูงสุดสูงกระทั่งสามารถเป็นพระพุทธเจ้าให้เทวดามากราบไหว้ได้แต่คนส่วนใหญ่กลับดูถูกตัวเองไม่รู้ถึงศักยาภาพของตนเองว่าทำอะไรได้มากมายกลับไปฝากชีวิตไว้กับเทวดาและสิ่งที่มองไม่เห็นที่แม้ต่อให้ท่านทั้งหลายจะมีฤทธิ์มากมายเท่าไหร่ ก็ยังทําบุญสร้างบารมีได้ไม่เท่ามนุษย์อย่างพวกเรานะครับแทนที่จะไปไหว้บนบานร้องขออะไรจากเทวดาปรับเปลี่ยนเป็นการทําเพื่อถวายและทําแทนท่านจะดีกว่านะครับจิตที่ตั้งไว้เพื่อการสรรเสริญบูชาหรือการสวดเพื่อคนอื่นจะมีผลกลับมาได้จริงมากกว่าการสวดเพื่อตัวเองนะครับ บทสวดที่ครูบาอาจารย์หลายท่านยืนยันว่าดีที่สุดคลังที่สุดก็คือบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งปวงแต่ก็นา่าแปลกที่คนส่วนใหญ่หลงลืมสิ่งที่สูงสุดและไปบูชาสิ่งที่รองลงมาจริงๆควรใส่ใจในการสรรเสริญบูชาองค์พระศัสดาผู้ที่เหล่าเทวดายังต้องก้มกราบบูชากันก่อนนะครับแล้วค่อยมาระลึกถึงคุณพระสงฆ์คุณเทวดาตามมาอีกทีสวดพุทธคุณบทเดียว ครอบจั ก, กรวาลและใช้สวดนำในทุกพิธีกรรมซึ่งเรารู้จักกันในบทอิติปิโสนั่นเองมีงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ระบุชัดเจนนะครับว่าบทสวดต่างๆโดยเฉพาะบทพุทธคุณนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายเปลี่ยนโมเลกุล น, น้ำทั้งในและนอกร่างกายให้มีคุณสมบัติที่ดีมีผลให้แสงออร่าสว่างสวมากขึ้นทั้งในร่างกายและในวัตถุ หากสวดเฉพาะบาลีแม้จะไม่เข้าใจความหมายเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้สวดนะครับเพราะอย่างน้อยจิตก็ยังได้ระลึกรู้อยู่ว่ากำลังท่องบนอยู่กับคำดีๆซึ่งใจเราจะรู้เองว่าเป็นของสูงและยังเสริมสติสมาธิให้ตนเองอีกด้วยแต่หากจะเป็นประโยชน์กว่านั้นก็ควรรู้ความหมายและน้อมใจคิดตามไปด้วยถึงจะได้อ น, นิสง์ครบถ้วนอย่างที่พรรณนาไว้นะครับ บทสวดหลายบทคือธรรมะที่จะให้เรานำไปปฏิบัติไม่ใช่ท่องแล้วจะรวยจะโชคดีแต่ท่องแล้วต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหากหายจากโรคได้ก็เพราะพิจารณาตามบทสวดและเกิดความเข้าใจในธรรมะจนจิตปล่อยวางได้ต่างหากเวลาพระให้พรไม่ใช่ว่านั่งก้มพนมมือแล้วจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับลองไปแปลคำสวดที่ท่านให้พรนนะ่ะ จะรู้เลยว่าท่านกำลังสอนธรรมะเราท่านบอกให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและลาบยศสรรเสริญสิ่งต่างๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอ่อนน้อมถ่อมตนก็เช่นเป็นคนพูดจาเพราะเรียบร้อยมีน้ำใจยิ้มแยม้มเคารพผู้ใหญ่ไม่รังแกเด็กไม่ดูถูกคนชอบช่วยเหลือเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยทำอะไรก็จเจริญค้าขายก็จเจริญอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักอยากช่วยเหลือ ทำบุญทุกครั้งท่านจะสอนแบบนี้แต่ท่านท่องเป็นภาษาบาลีซึ่งพวกเราก็ไม่เคยปแปลกันเลยก็เลยไม่เคยนำมาใช้และคิดแต่ว่าตั้งใจฟังพระสวดผนนมือก้มหัวตั้งสติให้ดีและก็จะโชคดีคิดว่านั่นท่านกําลังอวยพรให้เราแต่จริงๆท่านกําลังสอนธรรมะเราตั้งหากบท้าหุงก็เหมือนกันนะครับสวดเพื่อชนะปัญหาทุกอย่าง เอาแต่ทองทองทองเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วคิดเหรอว่ามันจะไปะชนะอะไรได้จริงๆในเมื่อคำแปลก็คือท่านเล่าให้ฟังว่าพระพุทธองค์ทรงชนะปัญหาต่างๆแม้แต่สัตว์ร้ายหรือคนกล่าวร้ายท่านชนะได้ด้วยพระมหาเมตตาแผ่เมตตาให้ไม่ตอบโต้ไม่ขุนเคืองไม่โกรธท่านชนะทุกอย่างได้ด้วยความไม่โกรธให้อภัยและมีความหวังดีให้และในที่สุด คนจ้องทำร้ายท่านทุกคนทุกสัตว์ก็แพ้ภัยตัวเองไปท่องคาถานี้ไปเรื่อยๆหากเราท่องคาถานี้ไปเรื่อยๆก็จะได้ข้อคิดและหากจะชนะทุกอย่างได้จริงๆก็ต้องนำมาใช้เดินตามรอยบาทพระาศาสดา ท, ที่ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างเราเจอปัญหาก็แก้ด้วยเมตตาเหมือนพระองค์เนี่ยจึงจะชนะปัญหาได้จริงไม่ใช่ท่องไปท่องไปแล้วก็คิดแต่ว่าเมื่อไหร่ปัญหามันจะหายไป หรือคิดว่าทองแล้วก็จะเป็นมงคลแก่ตัวเองโดยที่แปลไม่ออกไม่เข้าใจความหมายของบทสวดเลยน่าเสียดายมากนะครับที่บทสวดดีๆที่ท่านต้องการให้เรานํามาท่องบน่นเพื่อจดจําและนําไปใช้กลับกลายเป็นคําศักดิ์สิทธิ์ที่มีความขลังในเรื่องอภินิหารและนํามาใช้เผยแพร่ท่องบ่นกันอย่างงมงายด้วยความโลภในบุญซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุญเพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวเอง ไม่ใช่บุญแท้ที่ทำเพื่อคนอื่นและหรือเพื่อขัดเกลากิเลสในใจตนเองหากวันนี้เราจะตั้งสติคิดดีๆและมองให้เห็นความจริงก็ยังไม่สายนะครับการสวดมนต์เป็นพื้นฐานที่ดีที่เราต้องให้สวดทุกคนและควรทำทุกวันเป็นประจำเพราะจะทำให้จิตเราเคยชินกับของสูงและเกิดพลังงานบางอย่างซึ่งส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ หลายคนนะครับสวดมนต์ไปเรื่อยๆจะพบว่ามีสติมีปัญญาและคิดอะไรได้มากขึ้นรวมถึงมองเห็นชัดว่าอะไรดีไม่ดีจะมีความกระตันอยู่รู้คุณมากขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะจิตมันชินกับของสูงมันก็จะคิดอ่านแบบสิ่งมีชีวิตชั้นสูงคนที่ปล่อยให้จิตตกต่ำไปกับโลกคุ้นชินกับคำดาคุ้นชินกับละครน้าเน่าหมกมุ่นปัญหาการเมืองรเรื่องของชาวบ้าน จิตก็จะค่อยๆต่าลงต่าลงและคิดอ่านก็จะทำแบบสามัญสำนึกของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำไปเรื่อยๆจนค่อยๆเห็นว่าบาปบุญไม่มีจริงการเอาเปรียบคนอื่นเป็นเรื่องปกติที่สัตว์ใหญ่ต้องกินสัตว์น้อยซึ่งสามัญสำนึกแบบนี้มันเป็นของสัตว์นะครับที่คนไปเผลอเอามาใช้โดยหลงลืมไปว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบชีวิตสูงส่งกว่าสัตว์แค่ไหน แม้ว่าการสวดมนต์จะจาเป็นแต่ก็เป็นเพียงส่วนย่อยในศาสนาเท่านั้นนะครับการทำสมาธิก็เป็นเพียงอีกส่วนหนึ่งที่มาเสริมกันแต่หลายคนเข้าใจไปว่าเป็นหลักสำคัญของศาสนาพุทธแท้ที่จริงแล้วการเจริญสติต่างหากที่เป็นหลักสำคัญและเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาอื่นเนือไปจากการทาดีได้ดีเนื้อไปจากการสอนให้คนเป็นคนดีแต่เป็นการสอนให้คนดี สามารถมีความสุขได้แม้ในความทุกข์และมุ่งไปสู่การไม่เป็นอะไรอีกแล้วเป็นคนที่พ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหรือไปเสวยสุขทุกข์กที่ไหนอีกแล้วอยากมีชีวิตที่ดีอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีเริ่มต้นง่ายๆนะครับด้วยการสวดมนต์สั้นๆทุกวันเป็นประจำภาษาบาลีจาเป็นต่อการสืบทอดเพื่อไม่ให้ความหมายผิดเพี้ยน นั่นเป็นภาษาที่อนุรักษ์ไว้สำหรับพระและนักบวชแต่สำหรับชาวบ้านทั่วไปผมขอแนะนำว่าควรสวดรับแปลเพื่อจะได้อานิสงส์ให้ครบถ้วนและได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับแต่หากว่าถ้าคุณมีเวลาน้อยก็เลือกสวดเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้เพราะบุญเกิดจากความเข้าใจในบทสวดมีพลังมากกว่าบุญที่เกิดจากการสวดแบบไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับทดลองด้วยตนเองแล้วคุณจะรู้ว่า การสวดแบบภาษาไทยล้วนๆและเข้าใจความหมายได้คิดไตรตรองตามบทสวดไปด้วยมันกระชับและส่งผลต่อจิตใจความรู้สึกปีติศรัทธาได้มากกว่าการสวดภาษาที่เราแปลไม่ออกไม่เข้าใจความหมายอะไรเลยต้องย้ำอีกทีว่าการสวดมนต์นั้นสำคัญที่สุดคือการเข้าใจในบทสวดและต้องมีสติสมาธิในการสวดด้วยนะครับ นอกจากสวดมนต์เป็นประจำแล้วการสละเวลาแม้แค่วันละ5นาทีเพื่อฟังธรรมะก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับเราเสียเวลาเรียนเรื่องไร้สาระมาตลอดชีวิตความรู้ที่ช่วยให้เราดับทุกข์ไม่ได้เลยเรากลับมีเวลามากมายให้แต่สิ่งที่ให้ความสุขจริงๆทั้งโลกนี้และโลกหน้าเรากลับไม่ใส่ใจและหาข้ออ้างได้ตลอดเวลาว่าไม่มีเวลาหากไม่ฟังให้เข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้อย่างไรการทำบุญที่ถูกต้อง จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อไม่มีการปฏิบัติและทําบุญที่ถูกต้องคุณจะหวังเอาอา น, นิสงส์งเต็มร้อยจากไหนความสุขคนดีๆสิ่งดีๆในชีวิตจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคุณทําบุญได้ถูกทางจริงๆนะครับ